สิปะทวีขณานะสิกขาบท63ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ขุดดินณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณเมืองอารวีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุชาวเมืองอารวีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาวเมืองอารวีขุดดิน ในปทวีขนานะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐานมุสาวาทวักที่หนึ่งจบ